มหาจตาลีสกสูตรอยู่ในมัชฌิมานิกายอุปริปัณ น, นาน่นนะครับท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะเป็นชไหนเะนะี่ยสัมมาสังกัปปะก็คือตรึกนะคะพิจตคิดนะครับสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะเป็นชไหนเนี่ยที่เป็นะสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะก็คงจะเข้าใจใช่ไหมครับหมายความว่ า, วา สัมมาสังกัปปะในมรรคหนึ่งในแปดในองค์มรรคใช่ไหมสัมมาสังกัปปะเนะีเป็นอนาสะวะเป็นฉไหนหมายความว่าการตึกประเภทนี้เนี่ยอนาสะวะนะเป็นเป็นการตึกที่เป็นเรื่องของของกุศลนะนะครับไม่ไม่ไม่ใช่แบบตึกอกุศลนะเป็นโลกุตระเป็นฉไหนนี่ก็สูงเลยนะครับแม้แต่ขั้นโลกุตระมีทิพานเป็นอารมณ์เนี่ยตึกไหมตึกอย่างไรเนะีย เป็นโลกุตระเป็นชนไหนเป็นองมักเป็นฉนไหนนี่บ่งชัดๆเลยนะว่าเป็นเป็นองของมักหนึ่งในแปดนะครับดูก่อนพิกจุทั้งหลายความตรึกหนึ่งเห็นไหมท่านอธิบายเลยนะสมรจักรป่า น, นี้หนึ่งความตรึกหนึ่งนะสองความวิตกหนึ่งชัดเจนนะครับความดำริหนึ่งนี่ไม่ใช่ความคิดก็ไม่รู้ว่าจะแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็ ความแน่วหนึ่งความแน่วหนึ่งความปักใจวจีสังขารหนึ่งวจีสังขานี่เป็นยังไงครับก็คือเป็นเหตุให้พูดนะนี่ยถ้าพูดโดยที่ไม่คิดแล้วพูดออกมาได้ไหมครับก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมครับเนะีเป็นเรื่องของความคิดจริงๆนะครับของภิกษุผู้มีจิตไกลค่าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้พร่างพร้อมไปด้วยอริยมรรจเรญอริยมรรจอยู่เนี่ยจเจริญอริยมรรจอยู่นะหมายความว่าจเจริญ วิปัสนาอยู่นะครับนี่แหลสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์ของมรคนี้เป็นพระสูตรซึ่งบ่งถึงว่าการเจริญปัสนานั้นเป็นเรื่องของการคิดนะครับส่วนการคิดอะไรนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งซึ่งที่เราเรียนกับท่านอาจารย์นี่นะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาคิดนะครับแล้วก็ในสูตรจุดท้ายนะครับ ในสูตรสุดท้ายที่ผมยกขึ้นมานั้นนะฮ ะ, ะถ้าผมจำ ไ, ไม่ผิดนะครับชื่อสูตรคือวิมุตตายตนะสูตรนะฮะท่านกล่าวว่าผู้ที่ถึงแดนวิมุตคือหลุดพ้นนั่นเนี่ยหนึ่งฟังจากผู้แสดงมีผู้แสดงทมแล้วเราฟังผู้ฟังสามารถบรรลุได้ นะีก็ยอะแยะไปนะครับที่เราฟังพระผู้วิพาคษทรงแสดงธรรมหรือว่าพระาราหันแสดงธรรมแล้วผู้ฟังนะครับบรรลุนะีประการที่สองถ้าไม่มีผู้อื่นแสดงเรามีความรู้เรามีปัญญาแสดงเองแสดงไปแสดงมาผู้แสดงเองนั่นแหละบรรลุได้เดิมนั้ยังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเลยนะแต่ด้วยการแสดงธรรม นะครับทำให้ตัวเองบรรลุได้นะก็มีตัวอย่างแยะๆใช่ไหครับนะฮะหมายความว่าผู้นั้นได้บำเพ็ญบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครก็ได้เป็นแสดงอย่างนั้นนะครับประการที่สามไม่มีผู้แสดงเราก็ไม่ได้แสดงเองนะไม่มีใครฟังนะครับการสาธยายทำที่ตนได้ศึกษามาแล้ว ก็สามารถทำให้ผู้สาธยายนั้นบรรลุได้นะครับจะมีตัวอย่างไหมครับก็เคยเคยพบในพระไตรปิฎกเหมือนกันว่ามีพระรูปหนึ่งอะ่ะท่านอยู่ในป่าท่านก็สาธยายคำพีของท่านไปเรื่อยทีนี้นานๆเข้าเลิกสาธยายเทวดาก็มาถามว่าเอเมื่อก่อนท่านก็ขยันมากอะ่ะตอนนี้ทำไมท่านเลิกสาธยายท่านก็บอกว่ากิจแห่งการสาธยายของท่านเสร็จแล้ว นะก็คือองค์นั้นเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ไปแล้วท่านก็เลิกสาวทยายนะะอันในช่วงการสาธทะยานนี่ก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่จะทําให้ให้ตรัสรู้ทำได้ไม่เชื่อก็ทรงจําสักสิบสูตรแล้วก็ไปทวนบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเอาสูตรยาวๆหน่อยนะไม่ใช่เอาสูตรมาสองบรรทัดอย่างเงี้ยเอาสูตรสักยี่สบสาสิบหน้าเงี้ยสักสามสี่สิบสูตรก็ปรึกไปเรื่อยพระพม่าทรงพระไตรปิฎกได้ะที่จําพระไตรปิฎกยังมีชีวิตอยู่ประมาณสี่รูปทุกวันเนี่ย จำภาษาบาลีได้ทั้งหมดเลยถ้าหากว่าเราทรงจาแล้วจาแล้วศึกษาคาสอนในเรื่องนั้นๆให้เข้าใจอย่างดีสาทยายไปด้วยนะแล้วความเข้าใจจะเพิ่มมากมายมหาศาล อ, อย่างเช่นพระสมัยที่ท่านสวดมนต์แล้วสวดมนต์แปลหรือไม่แปลก็ตามองค์ที่ไม่แปลเนี่ยท่านเข้าใจในบทสวดเป็นอย่างดีเลยเช่นสวดอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นต้นเนี่ยทั้งหมดเลยนะ ถ้ามีความเข้าใจในบทสวดเหล่านั้นสวดด้วยความเข้าใจในขณะนั้นนั้นจะเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างมากมายมหาศาลอัน น, นปีติจะเกิดนะคุณธรรมประเภทปีติเป็นต้นจะเกิดเพราะว่าในบทธรรมที่สวดไปนั้นแต่ละคํานี่มีความหมายมีอัตถมีพยัญชนะที่ลึกซึ้งมากอันทหาว่าผู้ที่สาธยายได้จึงมีประโยชน์มากมายมหาศาล น, นันแหละถึง ในในคัมภีร์เนี่ยท่านสาธยายเป็นต้นแล้วได้บรรลุของเราสาธยายก็ได้ทบทวนพระธรรมที่เราได้ศึกษาด้วยนั่นแหละท่า น, นการสาธยายบ่อยๆพระธรรมหมวดไหนที่เราไม่ค่อยเข้าใจพระธรรมบทนั้นเนี่ยจะสะดุดใจเรามากเป็นเหตุให้เราต้องไปค้นอีกต่อไปนันะดังนการสาธยายนี่มีมีมีมผลมากเลยเช่นว่าครับตอนนี้ในว <c oughs> ิมุตตายตตะสูตร น, นะครับข้อสี่ท่านกล่าวไว้ตรงๆเลย ภิกษุใดได้ตรึกได้ตรองธรรมะที่ได้เรียนมาแล้วนะครับการตรึกการตรองนั้นก็ทำให้บรรลุมรรคผลได้นี่ตรงๆเลยนะครับเมื่อได้เรียนธรรมะมาแล้วมาตรึกมาตรองอย่างใครครวญอย่างละเอียดรอบคอบนะครับก็เกิดปัญญาสามารถบรรลุได้นี่ข้อนี้เนี่ยนะเป็นข้อที่สำคัญมากเลยแสดงว่าการเจริญวิปัสสนา那เนี่ยเป็นการ ทำงานทางด้านใจนะครับทางด้านจิตใจเนี่ยนะครับถ้าหากว่าการทํางานทางด้านจิตใจเนี่ยทําโดยไม่คิดเนี่ยทํำยังไงครับน่าสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นในวิมุตตายตนาสูตรเนี่ยข้อที่สี่บ่งว่าชัดเจนเลยครับนะั่คือการตรึกการตรองโดยทำรรมาที่เรียนมาเนี่ยสามารถบรรลุได้ใช่คร<อ>ับหรือถ้าหากว่าจยากจะให้ความสําคัญว่าความตรึกนั้นมีความสําคัญมาก ก็ดูได้ในอย่างเช่นในจังกีสูตรนะมัชฌิมนิกายหรือว่าในกีตาคีรีสูตรนะก็พูดถึงเรื่องของการตามเพ่งตามตรึกตามตรองด้วยใจเนี่ยนะพระสูตรเหล่านี้เนี่ยแสดงอยู่นะในเรื่องของการตรึกนั้นแล้วอย่างในสังยุตตนิกายใช่ที่เราเคยฟังมาแล้วว่าถ้าหากว่าเราไปวิตกนะเช่นกามวิตกพยาบาทวิตก มิหิงสาวิตกวิตกเหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เลยแต่มาวิตกว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยถามว่าทุกข์ได้แก่อะไรก็คือวิตกถึงเรื่องของขันห้านั่นเองอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายกันต่อไปว่าวิตกในลักษณะใดเป็นการมิวตกวิตกในลักษณะใดเป็นพยาบาทวิตกวิตกในลักษณะใดเป็นวิเหิงสาวิตกสาบแสงทั้งนั้นเลยนะ จะได้บุญกับตรงนี้แหละคือดีกว่าไปสวนงานฟังงานศพตั้งเยอะนะกับในมิตรมุตตยตนะสูตรนี่นะครับข้อสามข้อสี่ข้อสามคือสาธยายแล้วก็บรรลุได้ข้อสี่ก็คือตรึกตรองแล้วด้วยตนเองนะก็บรรลุได้เนี่ยถามว่าถ้าเราศึกษาธรรมะนะแล้วเราจำไม่ได้เลยเราจะเอาอะไรไปสาธยาย เราจะเอาอะไรธรรมะข้อไหนไปตึกไปตรองเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คงคงไม่รังเกียจที่จะต้องต้องจดต้องจําบ้างช่ไครับนะเราเห็นว่าธรรมะบางอย่างนะฮะเราจะเข้าใจตอนที่เราตึกเราตรองเนี่ยท่านเคยคิดไหมครับว่าอุปาทานขันห้ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ยังไงถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นทุกข์เป็นของไม่ดีแน่นอนแน่นอนที่สุด ถ้าขึ้นชื่อวัตทุแล้วไม่ใช่ของดีแน่นะครับตอนที่ท่านเคยไปตึกไหมครับอุปาทานขันห์5เป็นทุกข์แล้วก็แตกตัวออกไปนะครับอุปาทานขันห์5ได้แก่รูป28นะครับเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารอีก50แล้วก็จิตอีก81เอ๊ะจิตก็มีทั้งกุศลอกุศลรูปก็มีรูปสารพัดเลยเนี่ยเอ๊ะมันเป็นทุกข์ได้ยังไงท่านเคยเอาไปตึก เนี่ยนี่ตัวอย่างว่าถ้าเราตรึกไปตรึกมานะฮะเหตุผลมันเป็นเรื่องการวิจัยครับมันเป็นเรื่องการทํางานของด้านจิตใจเนี่ยมันวิจัยไปวิจัยมาคิดทบทวนไปทําหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่นั้นกับคู่นี้อย่างที่เราเรียนมาทางด้านสังคมศาสตร์ใช่ไหมฮะเราหาคู่นั้นคู่นี้มาม า, ม า, ม า, มาเทียบกันดูดูความสัมพันธ์กันมั่งอะไรกันมั่งนะแล้วเราก็จะได้เหตุผลนะแล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะนี่เป็นเรื่องของการตรึกการตรอง นะครับสำหรับมิมุตตายยตนาข้อสุดท้ายนั้นนะ่ะผมก็จำไม่ค่อยได้นะหมายถึงมาพูดที่บําเพ็ญสมถะแล้วอาศัยสมถะนั้นเนี่ยนะครับอ่าเป็นบาศของวิปัสสนานี่ก็สามารถบรรลุได้คือไม่ต้องฟังใครไม่ต้องแสดงธรรมไม่ต้องสาธยายไม่ต้องตึกไม่ต้องตองแต่ว่าเจริญสมถะอาศัยสมถะนั้นแหละนะเป็นบาศเจริญวิปัสสนาบรรลุได้นี่เป็นข้อสุดท้ายนะครับ นี่ก็เป็นอสองสูตรที่ผมแสดงให้ดูว่าการเจริญวิปัสสนาณ น, นั้นเนี่ยการตรึกการตรองเนี่ยมีความสำคัญมากครับนบนครับวั <จะ S 1> บนนี้เอาอีกเท่านี้ก่อนนะคงเริ่มศึกษาในพรหมวิหารอ่าพรหมวิหารนั้นพรหมนี่แปลว่าประเสริฐนะวิหารนี่แปลว่าที่อยู่ ว่าที่อยู่อันประเสริฐนะพูดถึงการเจริญเมตตาเป็นต้นไปซึ่งเราก็ได้เอาข้อความในวิสุทธิมรรคมาแจกให้เราทั้งหลายได้ดูกันแต่ว่าการบรรยายนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเอาข้อความในพระสูตรมามากล่าวเพราะว่าข้อความในวิสุทธิมรรคนั้นเป็นหัวข้อ เป็นแนวทางของผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้ฌานตามแนวพรหมนิหารแต่ของพวกเราทั้งหลายจะศึกษาเพื่อให้มันโกรธ น, น้อยน้อยหน่อยถ้าโกรธก็โกรธ น, น้อยนหน่อยบาปก็บาป น, น้อยน้อยหน่อยใช่ไหมให้บุญมันเกิดหน า, นาขึ้นอีกนิดนึงก็ยังดีนะให้เห็นว่าโกรธมันไม่ดียังไงเออถ้าไม่โกรธแล้วมีผลยังไงคนะำถามประเทเนี้จะเข้ามา แล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดความโกรธความโกรธจะละได้อย่างไรความโกรธเนี่ยมีอะไรเป็นความหวานชื่นโกรธดีไหมทำไมคนจึงนิยมโกรธใช่อ่าแล้ววิธีทางวิธีการเพื่อที่จะระงับดับความโกรธนั้นจะทำได้อย่างไรซึ่งเราก็จะได้ศึกษาควบคู่กันไปอ่าอย่างการเจริญพรหมหารนั้นก็คือเรื่องของการเจริญเมตตา เมตานั้นองคธรรมโดยเจตสิกเป็นชื่อของอโทสะเจตสิกเจตสิกทั้งหมดมีเท่าไหร่ห้าสิบสองดวงนะทบทวนแล้วเจตสิกห้าสิบสองดวงนั้นแบ่งออกเป็นอะไรบ้างอาลองทบทวนเจตสิกก่อนว่าเราเรียนเจตสิกดวงไหนอยู่ถามว่าเรียนเมตาก็คือเรียนเจตสิกหนึ่งตัวคืออโทสะเจตสิกนะ โทษอีกครั้งหนึ่งนะเจตสิก52คืออัญญสัมนาเจตสิก13อากุศลเจตสิก14โสภณะสาธารณะเจตสิก19บาวรตีเจตสิกสามอปปมัญญาเจตสิก2และก็ปัญญาเจตสิกหรือปัญญิีสีเจตสิกอีกหนึ่งนะรวมเป็น52 เจตสิกที่จะกล่าวถึงในเรื่องของการเจริญเมตานั้นมีอยู่สองตัวหลั ก, ลกสองตัวหลักก็คืออกุศลเจตสิกหนึ่งอย่างกับ ก, กุศลเจตสิกอกุศลเจตสิกในที่นี้หมายถึงโทสะนะโทสะนี้เป็นเหมือนกับของดำดำและดำไม่ดำแบบธรรมดานะั้นดำแบบไหม้ด้วยนะดำแบบเผาด้วยรังสีอ ม, มหิตเขาว่างั้นแต่ถ้าเมตานั้นเป็น ความเป็นมิตรความไมตรีนะที่ที่แผ่เป็นความแช่มชื่นความสดชื่นความหวังดีปรารถนาดีกันจริงๆริงอันผู้ที่จะเจริญอโทสะเจตสิกได้ดีนั้นคนนั้นจะต้องรู้จักโทโทสะเจตสิกเป็นเป็นอย่างดีแล้วรู้โทษภัยต่างๆของโทสะเจตสิกเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยและรู้อ น, นิสงส์ต่างๆของอโทสะเจตสิก หรือเรียกว่าเมตตาอย่างดีจึงจะพอกพูนจึงจะเจริญได้แล้ก็ในชั้นต้นก่อนผู้ที่จะศึกษาเรื่องเมตตาเป็นต้นนั้นจะต้องรู้ว่าเมตตาเนี่ยดีอย่างไรนะขอยกข้อความในคำพีอังคุตระนิกายเอกนิบาตอัชราสังคาตะวัคที่6นะอัชราสังคาตาก็คือการดีดนิ้วมือนะการดีดมือครั้งหนึ่งเหมือนกันะ ในข้อห้าิบสี่กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุซ่องเสพเมตตาจิตแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานฌนะานนี้เป็นชื่อของการเพ่งกับการเผาอันน้นแต่ฌานนั้นเพ่งเพ่งอะไรเพ่งถ้า อารมณ์ของเมตตาได้แก่สุขขิตสัตว์แห่งถึงสัตว์นี่มีความสุขนะคํคำว่าเผาก็คือเผาปฏิปัก์ธรรมเผาธรรมะอันเป็นค่าศึกศัตรูของนั้นคำว่าฌานนั้นมีอยู่สองความหมายคือเพ่งกับเผานะ ผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยนะซ่องเศษเมตตาแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นพิสษุนนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแควนเปล่าถ้าเป็นพระนี่ก็การบวชนี่มีผลไม่งั้นเนี่ยฉันอาหารชาวบ้านเปล่านะถ้าฉันเปล่านี่หมายความว่า มีโทษนะไม่ใช่ฉันอิ่มแล้วก็หมดเลยนะก็คือถ้าไม่เจริญไปตามนั้นถ้าคุณธรรมหรือความดีไม่เกิดแสดงว่าอากุศลมันเกิดแทนนะเพราะจิตของปุถุชนมีอยู่ชาติที่เป็นกุศลอกุศลเนี่ยหนานแน่นก็ น, นบอกว่าขนาดเจริญเพียงชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยนะก็เชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่า ก็จะกล่าวใหญ่ถึงผู้ทํำเมตตาจิตนั้นให้มากเล่านะถ้าทําแค่ลัดนิ้วมือหนึ่งนี่ยังมีผลขนาดนี้ถ้าทําบ่อยๆมากๆนะขนาดพระเนี่ยไม่ต้องทํามาหากินใช่ไหมบิณฑบาตฉันอย่างเดียวนะอาชีพบิณฑบาตหลังนั้นแหละขนาดว่าเจริญเมตตาอย่างนี้เนี่ยการบวชนั้นก็ชื่อว่าเป็นการบวชที่มีผลนะนะถ้าหากว่าสามารถเจริญเป็นแล้วถ้าเราเป็นค า, ารวะเราไม่ต้องบิณฑบาต เราใช้ชีวิตทำมาหากินด้วยด้วยลำแข้งของเราใช่ไหมถ้าเจริญเมตตาควบคู่ไปด้วยจะจะไร้ประโยชน์หรือเนาะอีกสูตรหนึ่งว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายถ้าพิกษุเจริญเมตตาจิตสูตรก่อนบอกว่าซ่องเสพนะสูตรนี้บอกว่าเจริญเมตตาจิตแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นภิกษุนนี้เรากล่าวว่าโยไม่เหินห่างจากฌาน ทำตามคำสอนของภาษาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าก็จะกล่าวใหญ่ถึงผู้ทำเมตตาจิตนั้นให้มากเล่าอีกสูตรหนึ่งว่าดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุใส่ใจเมตตาจิตแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าโยไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของภาษาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบินธบาตของชาวแว่นแควนเปล่าก็จะ ก, กล่าวใหญ่ถึงผู้ทําเมตตาจิตนั้นให้มากเล่า น, นะอันเมตตาจิตนั้นการเจริญแล้วว่ามีผลมากมียนิสง์มากเป็นกุศลที่ที่หน้าบำเพ็ญหน้า พ, อพ่อภูลหน้าปฏิบัติให้เจริญบริบูรณ์ซึ่งจะกล่าวถึงอันิสงข้อต่ อ, ตอไปอีกทีนี้ข้อความในอัตถกาถามโนระทะปุรนีกล่าวว่า อัชาราสังคาตรัมตังความว่าเพียงการดีดนิ้วมืออธิบายว่าเพียงเอามือเนี่ยสองนิ้วดีดให้มีเสียงนะนะทำให้มีเสียงดังขึ้นอย่างเงี้ยบทว่าเมตตาเออเมตตจิตตังได้แก่จิตที่คิดแพ่ประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์นะจิตที่คิดหวังดีปรารถนาดีนะเขาบอกว่าจิตเกื้อกูลนี่เป็นยังไง ถ้าหากว่าเราเคยคิดให้ใครคนใดคนหนึ่งมีความสุขความเจริญทีนี้ว่าความคิดของเราไม่จํากัดอยู่ในคนคนเดียวนั้นเปลี่ยนไปหาคนอื่นได้นะจิตในลักษณะนั้นแหละเป็นเมตตาคำว่าอ า, อาเสวติแปลว่าย่อ ม, อมเสพเนี่ยนะซองเสพเนี่ยถามว่าเสพอย่างไรแก่ว่านึกถึงอยู่เสพ คิดถึงเมตตาแล้วทําเมตตานี้ให้เกิดขึ้นเห็นอยู่เสพเห็นเมตตาแล้วก็เสพขึ้นพิจารณาอยู่เสพประคองความเพียรอยู่เสพน้อมใจเชื่อเสพเข้าไปตั้งสติเสพตั้งจิตเสพรู้ชัดด้วยปัญญาเสเะจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ให้มันเข้าใจปฏิบัติตามได้นี่ก็ถือว่าพิเศษแล้วนะรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเสพกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้เสเพ ละสิ่งที่ควรละเสพเจริญสิ่งที่ควรเจริญเสพกระทาให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเสพแต่ในที่นี้เพิ่งทราบว่าเสพด้วยเหตุสักว่าเป็นไปโดยการแผ่ประโยชน์เกื้อกูลในสัตว์เบื้องต้นแห่งเมตตาแค่เริ่มหวังดีปรารถนาดีต่อคนอื่นนี่ก็เชื่อว่ามีผลมากมี น, นิสงมากแล้วนะขณะจิตนั้นนะโอถ้าพอกพูนทําให้ความคิดนั้นๆเนี่ย<ม>เกิดบ่อยเกิดมากจนเจริญบริบูรณ์นะั่นแหะ จิตตัวนั้นเนี่ยมีผลมากมายมหาศาลคำว่าอริตต์ชาโนได้แก่ผู้ไม่มีผู้มีชาญไม่ว่างหรือไม่ละทิ้งชาญคำว่าชาญ น, นั้นโดยคความหมายก็คือเพ่งกับเผาใช่ไหมแต่ชาญ น, นั้นมีอยู่สองอย่างด้วยกันคือลัคนูปนิสชานกับอารัมณูปนิสชานลัคนูปนิสชานนั้นก็คือชาญที่ เพ่งลักษณะ น, นะเพ่งลักษณะคือสามัญยลักษณะเป็นต้นนั่นเองการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์เป็นต้นนั่นเองอ น, นะการเจริญในลักษณะนั้นมากมากเรียกว่าการเจริญลัคนูปนิสชาตหรือวิปัสสนานั่นเองอส่วนในเรื่องของรายละเอียดของวิปัสสนานั้นเราก็เคยได้ยินได้ฟังบ้างแล้วในช่วง ภาเรียนครั้งที่แล้วน ะ, ะถ้าหากว่ามีบุญก็จะได้เรียนต่ออีกครั้งหนึ่งเมื่อจบพรหมวิหารน่าจะศึกษาเรื่องวิปัตนนาให้ให้ละเอียดหน่อยอ น, นะศึกษาแบบใช้พรศุณห์นะการศึกษาของของของกลุ่มเราใช้ชื่อว่าชมรมอะไรก็รดูหน้าปกหน่อยนี่ <c oughs> ใช่ไหมส <c oughs> าปฏายปิฎกใช่ไหอ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะเอาตามพระไตรปิฎกเราจะเอาตามพระไตรปิฎก ข้อมูลที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกอัตถกถาและดีกาเท่านั้นมากล่าวน ะ, ะเว้นไว้แต่ผู้ใดอธิบายแล้วอนุวัตมีที่อ้างอิงตามพระไตรปิฎกอัตถกาถาดีกานี่แหละเราจึงจะเอาเป็นประมาณนะจึงจะเอาเป็นประมาณเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาตามพระไตรปิฎกท่านเจริญอย่างไรพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอย่างไรเราก็จะกล่าวตามนั้นในเรื่องของการเจริญพรหมิหารก็เหมือนกัน เราจะขอกล่าวตามพระไตรปิฎกอัตถกาถาและดีกานะซึ่งว่าอย่างไรชื่อว่าเมตตาเป็นต้นเราจะไม่เอาแบบที่อย่างสมมติของอาตมาเคยไปทำมายัางไงเนี่ยจะไม่กล่าวถึงไม่เอาเป็นประมาณครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องสารณคมใช่ไหมทำมังสรารนังข้าชามีมีอะไรบ้างหนึ่งปริยัตินะปริยัติธรรมสองแน่นะ อริยมรรคอริยผลนิพพานไม่มีคําว่าปฏิบัติอยู่ในนั้นนะธรรมังสระนงังฆาฉามิไม่มีคําว่าปฏิบัติอยู่ในนั้นเลยอันมีแต่คําว่าอริยมรรคอริยผลนิพพานและตันตินะเฉพาะในในมโนระถาปุรณีกล่าวว่าตันติตันติก็คืออัตตกถาถ้าหากว่าตามฉัตตะมานาวกะวิมานวัตถุนั้นกล่าวหมายถึงอัปอปติกูลังเป็นต้น มัทุรังอภติกูลังเนี่ยหมายถึงพระไตรปิฎกหมายถึงพระธรรมขันธ์เพราะฉะนั้นธรรมมังสะาระนังฆะฉามิของเราก็ได้แก่พระปริยมักพระปริยัติอริยมักอริยผลและนิพพานเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเรานั้นยังไม่ใช่ธรรมมังสะาระนังฆะฉามิแต่พระปริยติธรรมสอนให้ปฏิบัติเอาแต่การปฏิบัติของเราไม่ใช่ธรรมมังสะระนังฆะฉามิเว้นแต่อริยมักเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละจึงจะเป็น ทำมังสารานาคฉ า, ามิแต่ว่าผู้ใดมีอริยมรรคอริยผลเรานับถือผู้นั้นเป็นสารณะอย่างพระพุทธเจ้าผู้ทําให้แจ้งมรรคผลนิพพานเป็นผู้แรกเลยเรานับถือท่านในฐานะเป็นศาสด า, าคนที่เหลือในฐานะผู้ทําให้แจ้งมรรคผลนิพพานตามนั้นเรานับถือท่านในฐานะพระสงฆ์เป็นอนุพุทธะนั่นก็สารณะของเราเหมือนกัน ผู้ที่ได้โซดาปฏิมัคสกะทาคามิมักเป็นต้นไปจนถึงอรหัตตมรกเรานับถือท่านเหล่านั้นในเป็กความเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนเป็นต้นท่านก็เป็นสารณะของเราเหมือนกันเป็นสารณะอันดับที่3พระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งพระธรรมคือปริยัตเป็นต้นเป็นอันดับสองผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจเป็นต้นเรานับถือท่านในฐานะเป็นสารณะอันดับที่ ที่สามถามว่าบุคคลนอกนั้นคืออะไรไม่ใช่สารณะนะที่เหลือไม่ใช่สารณ ะ, ะและวเขาเป็นพ่อก็นับถือว่าพ่อเขาเป็นพี่ก็นับถือว่าพี่ <_ S 1> เขาเป็นเพื่อนก็นับถือว่าเพื่อนพระธรรมคําสอนเนี่ยบอกเลยผู้นี้เป็นเพื่อนนะหลักการปฏิบัติกับมิตรควรทําอย่างไรปริยัติเราจะสอนเลยนะสารณ ะ, ะเราจะสอนเลเออผู้นี้เขาเป็นพ่อสารณ ะ, ะเราจะบอกว่าควรปฏิบัติกับพ่ออย่างไรอผู้นี้เป็นน้อง สารณะเราบอกเลยควรปฏิบัติกับน้องอย่างไรนี่ตาสารณะบอกเลยปฏิบัติทางตาอย่างไรนี่หูได้ยินเสียงสารณะเราบอกเลยว่าควรปฏิบัติอย่างไรดังนั้นผู้ที่เมื่ อ, อบลายถวายชีวิตแด่พระธรรมคำสอน<ม>เป็นต้นไปนะเรียกว่าทบทวนวิชาสารณะโคมอีกหน่อยมั้ง น, นโะโรคอาการถึงสารณะโดยโลกิยะมีกี่ย่าง มีสี่อย่างนะโอศาสตร์สูตรสี่นิ้วมาแล้วมีสี่อย่างหนึ่งอมอบกายถวายชีวิตนะอัตตะสันนิยาตะ 2. สองอตับปรายนะมีท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะเอาท่านเป็นผู้นำทางอ่ะสามยอมเป็นสิทธ์ท่านทุกอย่างเลยสี่ นอบน้อมท่านอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเรานับถือพระปริยัติอริยมรรคอริยผลสี่ดักนี้เราก็เลยกล่าวว่าทำมังสารนังฆ่าฉามินะคำว่าสารณะนี่มีสี่ความหมายแบบนี้เพราะฉะนั้นเรามอบความไว้วางใจให้ท่านหมแล้วมอบความไว้วางใจนะขอเป็นสิทธิ์ท่านมอบกายถวายชีวิตให้ท่านนับถือท่านอย่างยิ่งนอบน้อมท่านอย่างยิ่งนะเอาท่านเป็นผู้นําทาง การกล่าวลักษณะนี้ชื่อว่าทามังสรารนังข้าฉามิถ้าไม่เป็นไปตามแนวนี้ก็ก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงพระธรรมเป็นสารณะก็แสดงว่าถึงอย่างอื่นเป็นสารณะอยู่งนั้นเราก็ต้องมาทบทวนว่าสารณะของเราเนี่ยมั่นคงขนาดไหนเพราะว่าพระโสดาบันนะผู้ที่เป็นอจฉรสัท ธ, ธาเป็นผู้ที่มั่นคงในพระตนรตรายที่สุดนะพระโสดาบันนะไม่ใช่ธรรมดานะระดับ ผู้ที่จะเข้าถึงสารณะได้จริงๆไั้ของเราเนี่ยถ้าขณะโทสะเกิดนี่มีสารณะไหมเอางี้ก่อนถึงสารณะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลกุศลถ้าโทสะเกิดนี่ไม่ใช่กุศลใช่ไหมขณะนั้นก็ไม่มีสารณะนะโลภะเกิดก็เหมือนกันโมหะเกิดก็เหมือนกันแสดงว่าไม่มีคําสอนอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมคําสอนนั้นน่ะคําสอนว่ายอย่างไร เราต้องไม่ลืมว่าสาระของเราแนะนําว่าอย่างไรอันเราค่อยๆปฏิบัติตามนั้นไปเพราะว่าผู้ศาสนาเป็นเป็นคำสอนเป็นความรู้ถ้าหากว่าผู้ที่หมดความไม่มีความรู้และปฏิบัติตามไม่ถูกนะยกตัวอย่างมัชชีมาปฏิปทาปฏิบัติตยังไงนะจะนั่งอย่างเงี้ยนั่งให้มันเป็นมัชชีมาปฏิปทาเป็นอย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษา เขาเรียกว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับปุตุชนผู้ไม่ได้สดับไม่เห็นอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะอันนะความเป็นปุตุชนเนี่ยจะทำให้ก่อกรรมทำความชั่วอีกมากมายมหาศาลแต่ถ้าเป็นคนที่มีสารณะเนี่ยนะก็เป็นเหมือนกับลูกที่ไม่กังพรามีคนคอยบอกหมดเลยอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติเป็นต้นในชั้นนี้ก็เหมือนกันเรามาศึกษาเรื่องเมตตาเป็นต้น สาระเราสอนว่าอย่างไรนะพระธรรมเรากล่าวว่าอย่างไรเอาไว้เะั้นเอาพระธรรมคำสอนนั่นแหละเป็นธรรมมังสารณางฆาชามิพระสมบัติคนอ่านให้ฟังเฉยๆนะบอกก่อนน ะ, ะคนอ่านเท่านั้นเองถ้าผิดถือว่าคนอ่านพลาดแต่คำสอนไม่มีพลาดนะถ้าก็คนอ่านนะนะก็คงเข้าใจทีนี้ต่อไปว่าคาว่าเจริญฌานเนี่ยนะ เจริญฌานในเมตตาเนี่ยเมตตาเนี่ยเป็นการเจริญฌานเป็นการเพ่งอารมณ์กับเผาปฏิปักษ์ธรรมขณะเพ่งอารมณ์เนี่ยอารมณ์ของเมตตาได้แก่อะไรกันนะสุขิสัส์ใช่ไหมนะปิยะมนาปะนะปิยะแปล ว, ว่าที่รักมนาปะที่เจริญใจ มีสัตว์ที่เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจเป็นอารมณ์หรือมีสัตว์ที่ได้รับความสุขอยู่เป็นเป็นอารมณ์สุขิตสัตว์นี่เป็นอารมณ์ของมุทิตาใช่ไหมมุทิตานะมีสุขิตสัตว์เป็นอารมณ์แต่ถ้าเมตานี่มีสัตว์ที่ปิยะปิยะนี่แปลว่าเป็นที่ชอบใจปิยะก็คือเช่น อ, อย่าง เป็นที่รักกันนะส่วนมนาปะเนี่ยแปลว่าเจริญใจสัตว์เป็นที่รักที่เจริญใจเป็นอารมณ์คําว่ารักกับคําว่าเจริญใจมาคู่กันนะไม่ใช่รักแปลไทยๆเนี่ยมันบางทีมันคิดเป็นอื่นไปได้ท่นะานมีสัตว์เป็นที่เจริญใจนั่นแหละเป็นอารมณ์ท่านยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะพ่อแม่มีลูกอยู่สี่คนลูกคนเล็กนะกับลูกคนที่กําลังป่วย ลูกที่เป็นหนุ่มเป็นสาวที่เจริญและทำมาหากินได้แล้วลูกคนเล็กเนี่ยเป็นที่เจริญใจของพ่อของแม่อันนี้เหมือนกับอารมณ์ของเมตตาถ้าลูกที่กําลังเจ็บป่วยพ่อแม่สงสารนี่อารมณ์ของกรุณาลูกที่เคเรียกว่ากําลังเจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวพวกนี้เป็นอารมณ์ของมุทิตาถ้าลูกออ ก, ออกเรือนได้อยู่อย่างตามอัตภาพของเขาแล้วอันนี้เป็นอารมณ์ของ อุเบกขาเนี่ยอุปมาจะเป็นลักษณะนั้นอันก็เหมือนกับนึกถึงหลานและเจริญหูจเจริญตาใช่ไหมลักษณะเนี้ยแต่ก็นึกถึงคนอื่นก็เป็นแนวเดียวกันหรือนัยเดียวกันนั่นเองอันเพ่งอารมณ์เนี่ยเพ่งความปิยมนาประสาทเนี่ยมากๆทํทำความคิดแบบนี้ให้เกิดขึ้นบ่อยๆเรียกว่าเป็นวิตกไหมการเจริญฌานก็คือการเจริญวิตกแต่เป็นอัพยาปาทวิตก นะเพราะว่าองค์ฌานมีอะไรบ้างประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขและเอกขาตาดังนั้นการเจริญเมตตาก็คือการนึกถึงสุขีตสัตว์อันนี้มีบัญญัติเป็นอารมณ์อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นฌานประเภทเมตตานั้นมีสัตว์เป็นอารมณ์นะถามว่าเอ๊ถ้ามัวแต่คิดถึงความเป็นสัตว์อยู่อย่างนี้เนี่ยเมื่อไรจะเจริญวิปัสสนาได้สักทีนะ จเจริญนิปรารถนาต่ อ, อยากไหมยกตัวอย่างเช่นยกผู้การนะมาด้ยวยกันเนี่ยสมมุติถ้าคิดถึงผู้การในลักษณะว่าเป็นผู้ที่น่าน่ารักน่าจเจริญใจลักษณะเนี่ยนะหวังดีปรารถนาดีต้องการให้ผู้การนี่มีความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปศึกษาพระธรรมคำสอนนี่ขอให้ทรงจำไว้ได้ปฏิบัติตามได้บรรลุมรรคผลจเจริญงอกงามในศ า, าสนายิ่งขึ้นไปลักษณะนี้เป็นการจเจริญ เมตตาแต่ถ้าบอกว่าในในผู้การเนี่ยเป็นขันไหมาธาตุไหมอายตนะไหมเป็นสัจจะไหมนั่นแหละเป็นสัจจะอยู่สองอย่างทุกขสัจกับสมุทยัยสัจมรรคสัจยังไม่เกิดทำไมแน่นะถ้าบรรลุเป็นอริยะเมื่อไหร่ก็เป็นได้ได้สัจจะข้อที่สมขึ้นมาแสดงว่าทำนิโรธให้แจ้งลนะนั่นแหละดัง น, นั้นในถ้าต่อด้วยความเป็นขันธาตุอายตนะแค่พลิกนิดเดียวเท่านั้นเอง อ่ะสมมติถาพูดแบบฝ่ามือนะฝ่ามือกับหลังมือถ้าวิปัสสนาก็เหมือนกับฝ่ามือเพราะมันจะมีลายใช่ไหมสมถะเหมือนกับหลังมือเป็นต้นนะพลิกยากยไหมคนป่วยนั่นแหละทํายากตรงนี้เหมือนกันถ้าคนที่มีความเข้าใจในเรื่องสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปแล้วจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วพระผู้มีพระภาคนะในพระสูตรที่จะกล่าวต่อต่อไปนั้นอ่ะจะมีว่า การเจริญสมถะกับวิปัสสนานะควบคู่กันไปอย่างเช่นยกข้อความในเมตสูตร ท, ที่เคยเอามากล่าวให้ฟัง น, นะเขาบอกว่าภิกษุผู้ยืนเดินนั่งนอนนะปราศจากความง่วงเหงาเพียงใดก็พึงเจริญเมตานี้ไว้เพียงนั้นนนะและกุลบุตรผู้เจริญเมตานั้นไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐินะไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิก็คือไม่เข้าไปสาคัญอย่างนั้นจริงๆด้วยอานาจของทิฏฐิ ถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะต่อด้วยโสดาปฏิมาคได้เลยนะถึงพ<ท>ร้อมแล้ ว, วด้วยทัศนะนำความยินดีในกามออกได้แล้วย่อมไม่ถึงความนอนในคันอีกโดยแท้แหละอันนี้เรียกว่าสมถะกับวิปัสสนาต่อกันเลยนี่ก็เป็นเรื่องตัวอย่างของความคิดใช่ไหมครับเจนพ่าเป็นความคิดที่คิดแบบไหนเจนผานใช่ไหมครับคิดอีกแบบหนึ่งเป็ น, ปนสมถ ะ, มะคิดอีกแบบหนึ่งเป็ น, ปนวิปัสสนาเช่นสมมติว่า เช่นเห็นผมเนี่ยพิจารณาโดยขันนะครับพาดอายตนะเนี่ยถามว่าผู้คิดเนี่ยนะฮะกับไม่คิดเนี่ยต่างกันไหมครับเจนอรต่างกันมากไหมหาต่างกันมากๆเลยนเนาะพอคิดได้น้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดต้องมีการศึกษามาก่อนต้องได้ยินได้ฟังในเรื่องของสมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรเป็นอย่างดีอ่ถ้าหากว่ายก สมถะซึ่งเราจะได้กล่าวต่ อ, ต อ, ตอไปแต่ถ้ายกวิปัสสนาใช่ไหมยกวิปัสสนาในผู้การนี่มียตนาเท่าไหร่ใช่ไหม น, นะตาของผู้การเป็นจักขายตนะสีเป็นรูปายตนะหูผู้การเป็นโสต า, ายตนะคำพูดที่พูดออกมาเป็นสัทธายตนะจมูกเป็นคานายตนะกลิ่นเป็น พันธายตนะลิ้นเป็นเฉีวหายตนะรถเป็นรษายตนะกายเป็นกายายตนะถ้าจับตัวปรับเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นเป็นโพธายตนะนะผู้การมีจิตไหมมีจิตเหล่านั้นเป็นมนาหยตนะมีเจตสิกไหมมีเจตสิกเหล่านั้นเป็นธรรมายตนะนะใส่ใจโดยความเป็นอายตนะเป็นต้นเป็น วิปัสนาวิปัสสนานั้นมีอารมณ์อยู่7อย่างด้วยกันในข้อความในสุมังคะระวิลาสีอัตกถาสามัญญผลสูตรกล่าวถึงอารมณ์ของวิปัสสนามีอยู่7อย่างนะอารมณ์ที่เป็น1 น, นะอดีต2 อ, อนาคต3ปัจจุบันอารมณ์ที่เป็นภายในคือในตัวภายนอกนอกตัวและก็อารมณ์ที่เป็น ปริตตนะเป็นกามาวจรนะกับเป็นมหคตะหรือรูปาวจรเพราะกามาวจรคืออะไรท่านเอ้แต่อย่างนี้ก็เต็มทีแล้วไม่เป็นไรก็ค่อยฟังเอาบูนไปนะเพราะถ้าจะรู้ทุกคํานี้ก็ก็ลําบากนิดนึงเพราะเพราะมันอย่างว่าคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนะค่อยๆศึกษาไปเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ เขาบอกว่าช่างทองค่อยๆปัดเป่าสนิมทองฉันใดนะผู้ที่เจริญกุศลธรรมก็เจริญพอกพูนและค่อยๆสนิมใจเนี่ยออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจริญพอกพูนภัยบุญได้เหมือนกันเทปวันนี้อาจจะอีกนานกว่าจะเข้าถึงเรื่องวิปัสสนาครับถ้าเกิดจำนักอื่นไปฟังนะอาจจะเข้าใจว่าเออมันเราแค่ท่องหัวข้อนี่เออก็เป็นวิปัสสนาเส้นแล้ว คงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการคิดว่าอายตนะคืออะไรรถก็ท่องได้หมดเลยนะทั้งอายตนะทั้ง12นี่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะการคิดเท่านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่หัวข้อเท่านั้นเจพรแล้วก็เรื่องรามันมีอีกมากมายทีเดียวนะพระพุทธวิว า, ายตนะหรือขันเนี่ยนะครับอีกมากมายการที่เราจะตรึกไอ้สิ่งที่มากมายได้อย่างนั้นนะ่ะถามว่าถ้าเราไม่ศึกษาปริยัติแล้วเราเอาอะไรมาตึก เราระอะไรมาคิดพระปริยัติธรรมจึงเป็นธรรมังสรารนังขะฉ า, ามีของเราใช่ไหมนะเราจะตรึกได้มากได้น้อยก็อยู่ที่การฟัง<ม>การศึกษานั่นแหละจนจนเข้าใจนนใครมีข้อมูลมากผู้นั้นก็ตรึกได้มากนะครับถ้าคนไม่มีการศึกษาเลยไม่ได้ฟังมาเลยนะครับมานะไปบอกสิบอกเอาอายยศนะอันนั้นะ น, น, นี่นะจักขายยศนาอนะัรูปลายยนานันนันอ่นี้ไม่ใช่วิปัสนาเหมือนกันครับคือ คือว่าถ้าหากว่าคนฟังเทพสั้นๆกค่นี้บอกโอ้สํานักนี่มันสอนง่ายจังเลยนะขันก็มีรูกประคันเมตนาขันตัญญาขันตัณการละขันโนนี่เป็นวิปั ส, สนาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เราใจถ้าจะฟังก็คงฟังให้ตลอดนะเทพมีอีกเยอะนะเป็นร้อยใช่ป่ะอันนี้ต่อไปเลยนะว่าผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยนะไม่ละทิ้งฌานเนี่ยนะเขคือไม่ทิ้งฌานฌานในที่นี้ก็คือตัวฌานกับตัวรมเนี่ยนะเราต้องแยกกัน นะศึกษาเรื่องจิตมาแล้วต้องรู้ว่าจิตกับอารมณ์ของจิตนี้คนละอย่างกันตัวจิตนั้นเป็นจิตที่มีอโทสะเป็นเป็นประธานใช่ไหมชื่อว่าเป็นการเจริญเมตตาแต่ตัวอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ประเภทปิยมนาปะนะสัตว์เป็นที่รักที่เจริญใจนั้นต้องแยกสองอย่างนี้ให้ออกถามว่าเจริญจิตหรือเจริญอาร ม, รารมณ์เจริญอารมณ์เหรอ ควบคู่กันไปนั่นแหละเจนทร์ทอนปิยะนี้แปลว่าเป็นที่รักนะมนมาปะเป็นที่เจริญใจนะมนมาปะเป็นที่เจริญใจนะแต่ว่าสัตว์เป็นที่รักที่เจริญใจก็ว่าปิยะมนมาปะสัตว์นะสัตว์เปคนคนเ็นที่รักที่เจริญใจ ต, ต่อต่อต่อสัตว์นี้ก็คื อ, อทั้งห ญ, ญิงทั้งชายทั้ง เทวดาพรหมเอาหมดเลี้ยงเลยเขาบอกว่าสัตว์ก็คือผู้ขล่องในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นแหละคือสัตว์หรือผู้ผู้มีลมหายใจ อ, ะอ่ะเสจลเจนิญพรหรืออาจจะเรียกว่าสัตตาปานาภูตานะพวกนี้ก็เป็นศัพท์มีความหมายเหมือนกันเลยนะจิตต้องเป็นกุศลจิต กุศลจิตอันนี้เป็นเน้นที่อโทสะมีเจตสิกประกอบทั้งหมดเท่าไหร่อาจารย์มีอยู่สามสิบสี่ดวงอัญญสมณะสิบสามโสภณสาธารณะเท่าไหร่สิบเก้าอปปมัญญาหนึ่งปัญญาอีกหนึ่งเป็นสามสิบสี่ดวง น, นี่ก็มีปัญญาด้วยเจนพรมีปัญญาด้วยเจนพรมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยนั่นแหละ คือเมตานั้นสามารถเจะสัตว์ทุกเหล่ามีเมตตาเกิดได้เช่นวัว น, นี่เวลาให้นมลูกอ่ะนะก็หวังดีปรารถนาดีกันลูกแม่โคโนมตัวนั้นก็มีเมตตาเกิดร่วมด้วยในขณะนั้นนะผมขอโทษหมายว่าผู้ที่เจริญนะครับหมายว่าถ้าเมตตาเกิดขึ้นธรรมชาติก็ไม่ต้องมีไม่ไม่จำเป็นไ ม, ไม่จต้องมีปัญญามีปัญญาประกอบแต่ถ้าเจริญตั้งใจเจริญต้องมีปัญญาประกอบเจริญพร เพราะว่าถ้าหากว่าคนที่จะเจริญเมตตาเนี่ยหลักมีอยู่สองอย่างใหญ่ๆเลยก็คือรู้โทษของโทสะรู้อ น, นิสง์ของขันติหรืออ น, นิสง์ของเมตตาเป็นอย่างดีมีหลักอยู่สองอย่างเนี่ยถ้าหากว่าสองอย่างนี้ไม่ดีพัฒนาไม่ขึ้นพัฒนาก็คือภาวนากับพัฒนาต่างกันไหม นะพัฒนาก็คือภาวะนั่นแหละภาวนานั่นแหละเอาแหวนเป็นพอผานนะพัฒนาวัฒนาส่วนภาวนาก็คือทำให้มีขึ้นนะก็มีความหมายอันเดียวกนันถ้าหากว่าไม่รู้สองอย่างเนี่ยพัฒนาไม่ได้นะพัฒนาเมตตาจิตนะพัฒนาคุณภาพจิตเพราะว่าจิตประเภทนี้ในชั้นต้นเลยเป็นถ้าของเราท่านทั้งหลายเป็นกามาวจร เป็นจิตประเภทกามาวจรอในกามาวจรจิตนี้เป็นมหากุศลใช่ไหมจิตที่เป็นเมตตาได้กี่ดวงเป็นได้กี่ดวงแปดวงแบบของพวกเราที่กําลังพอกพูนใหม่ๆก็ได้แปดดวงนะมหากุศลนะเอาเฉพาะที่เป็นกุศชนนะเพราะอัพยากระตาเนี่ยนะไม่ต้องพูดว่าเจริญรแบบอาละมานี่ยหลับก็ไม่โกรธลอะอาโทสาก็เกิด แต่ว่ายิ่งหลับบ่อยๆเนี่ยก็บอกกินบุญเก่ามากเท่านั้นนะ่ยเพราะฉะนั้นอโศกในภวังคจิตไม่ต้องเจริญพระพุทธเจ้าสอนให้ปริญญาสามนั่นแหละแต่ว่าอาโศกในในมหากุณสมจิตเนี่ยสอนให้เจริญนั่นแหละแต่ว่าถามว่าโอ้โหมันคนที่หลับก็มีอโศกอยู่ด้วยเั้นไม่ต้องเจริญเนาะเป็นโดยธรรมชาติเน่งาเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เรามีทุนเดิมอยู่แล้วทุกคนจริงมีทุนเดิมมีอโศกมาแล้วอะ่ะทุกคนเลยเจริญผ่าใช่ไหมฮะ ในขณะที่ปฏิสนธิมีอัตโศาสทุกคนเลยม่นนั่นม่เกิดมาเป็นคนหรอครับเจ้ท่าั้งคนที่ทำจิตชนิดนี้ให้เกิดขึ้นะนะพระองค์กล่าวต่อไปว่าสัตธุศาสนกโรได้แก่ผู้กระทำตามอนุศาสนีของพระศาสดาโอวาทปฏิกโรได้แก่ผู้กระทำตามโอวาทก็ในเรื่องนี้การกล่าวครั้งเดียวชื่อว่าโอวาทนะให้โอวาทก็คือพูดครั้งเดียว การกล่าวบ่อยๆเชื่อว่าอนุสาสนีพูดซ้ำๆเตือนหลายๆครั้งแม้การกล่าวต่อหน้าเชื่อว่าโอวาสการส่งข่าวไปกล่าวรับหลังเชื่อว่าอนุสาสนีการกล่าวในเมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วเชื่อว่าโอวาสการกล่าวในเมื่อเรื่องเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นเชื่อว่าอนุสาสนี แต่เมื่อว่าโดยประมาทคําว่าโอวาหรืออนุสาสนีนั้นก็เป็นอันเดียวกันมีอัฐอันเดียวกันเสมอกันเข้ากันได้เกิดร่วมกันนั่นแลก็ในที่นี้คําว่าภิกษุทั้งหลายหาภิกษุเสพเมตตาจิตแม้เพียงลัดนิ้วมือเดียวนี่แลเป็นคําสอนและเป็นโอวาทของภาษาสดาเพึงทราบ ว, ว่าภิกษุนั้นชื่อว่าผู้ปฏิบัติตามคําสอนและผู้สนองโอวาทเพราะปฏิบัติคําสอนและโอวาทนั้น นะถ้าผู้ที่ทําจิตตามนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่ทําตามศาสนาปฏิบัติตามโอวาทนะปฏิบัติตามอนุสาสนีที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระผู้มีพระภาคนะสงฆ์ลงสาสนอีกครั้งหนึ่งพระองค์ผู้แสดงเรื่องเมตตาคือศาสดาของเราคําสอนว่าให้เจริญเมตตานี้เป็นคําสอนอันนี้เป็นธรรมะ คมังสารานาังข่าฉามิผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนจนได้บรรลุมรรคผลเป็นต้นชื่อว่าพระพระสงฆ์เรานับถือผู้ท่านเหล่านั้นเป็นสารณะนะอันนี้ถ้าจะเชื่อมวิชาสารณคมที่ที่ศึกษาผ่านมาแล้วอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะในสารณ ะ, ะของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แนะนําให้เราปฏิบัติหรือเจริญเมตตาจิตอันนี้การเจริญหรือการปฏิบัติได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ สาระเรามั่นคงขนาดไหนถ้าเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้ามากมีความเข้าใจในคำสอนมากแล้วก็เห็นอา น, นิสงส์ที่พระสงค์ในสมัยก่อนท่านปฏิบัติตามเป็นต้นเราก็สา ม, มารถที่จะพอกพูนเมตตาจิตอันนี้ให้เกิดได้ได้บ่อยทำให้เกิดได้มากได้เออถ้าแต่ครับผมยังสงสัยอยู่นิดนึงนะฮะ คืออารมณ์ของเมตตาเนี่ยที่บอกว่าเป็นปิยมนาปะสัตว์เนี่ยนะฮะตอนนี้บางครั้งเราเราเจริญเมตตานี่น ะ, ะสัตว์ก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อ ย, อยปิยะไม่ค่อยมนาป่าครับคือแต่เราก็เจริญได้น ะ, ะบางทีก็คนยากคนจนแต่งเนื้อแต่งตัวก็ก็ไม่ไม่งามน ะ, ะแต่เราเกิดเมตตาได้อ๋ออันนี้เรียกว่าถ้าบบอย่างนั้นเป็นยังไงครับอันนี้เรียกว่ากรุณนา คือในตรงนี้เนี่ยนะเราต้องศึกษาเรื่องของอารมณ์อีกครั้งหนึ่งอาจจะขอกล่าวถึงอารมณ์โดยย่อโดยทั่วไปแล้วอารมณ์ของสัตว์ทั้งหลายก็เครียกว่านิมิตนิมิตกับคำว่าอารมณ์นั้นมีความหมายในลักษณะเดียวกันนิมิตอย่างหนึ่งของจิตก็คือเช่นยกตัวอย่างสุภานิมิตนะสุภานิมิตนี้เป็นอารมณ์ของของจิตประเภท โลภะนะปฏติฆานิมิตเป็นอารมณ์ประเภทของโทสะและก็อุเบกขานิมิตอุเบกขานิมิตเป็นอารมณ์ของโมหะดังั้นการเจริญเมตตาเป็นต้นเนี่ยจะต้องรู้ว่าถ้าสุภานิมิตเนี่ยเป็นศัตรูของเมตตาแบบศัตรูใกล้ปฏตติฆานิมิตเป็นศัตรูกไกล วันท่านบอกเลยว่าการเจริญเมตตาเนี่ยให้ระวังเรื่องสุภาณิมิตให้ดีนั่นแหละโทสะนีไม่ต้องระวังเท่าไหร่เพราะถ้ามีเมตตาแล้วโทสะไม่ค่อยเกิดหรอกแต่ถ้าอุเบกขานิมิตเนี่ยไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นจิตที่รู้สุภาณิมิตมีแดดวงปฏิฆานิมิตมีเท่าไหร่สองดวงอุเบกขานิมิตมีสองดวงเท่ากับอากุศลในจิตสิบสอง นะอันนี้ไม่ต้องเจริญปกติมีอยู่แล้วแต่อันนี้ต้องเจริญเพราะอารมณ์ของกุศลเนี่ยนะมีหลายอย่างด้วยกันอารมณ์ของกุศลเช่นนิมิตของกุศลถ้าเป็นนิมิตของพรหมหารก็คือปิยมนาปนิมิตนะเป็นนิมิตของเมตตาพรหมหารถ้าทุกขะัทุกขศัพทุกขิตศัพท์ อ่นนะสัตว์ที่กําลังได้รับความทุกข์เป็นต้นถ้าปารัอย่างที่ผู้การเล่าเมื่อกี้เป็นอารมณ์ของกรุณาเห็นเขาเจ็บปวดและสงสารเป็นต้นอันนั้นเป็นอารมณ์ของกรุณาถ้าหากว่าสัตว์นั้นโหกําลังมีความสุขเรามุทิตากับเขายินดีกับเขา อ, อารมณ์อันนั้นเป็นอารมณ์ของมุทิตาแต่ถ้ามัชชตะธรรมดาเลยมัชชตะกอุเบขาคนละอย่างนะ มัชตาก็คือวางใจเป็นกลางในสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นอารมณ์ของอุเบขานะซึ่งอุเบขาท่านท่านบอกว่าเป็นการเจริญหลังจากที่ต้องได้ประเภทเมตตาเป็นต้นอย่างดีแล้วเพราะนั้นในอุเบขาเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วถ้าเป็นอารมณ์ส่วนทั่วไปอีกเช่นอารมณ์ของทานนะนิมิตของทานก็คือข้าวน้ําเป็นต้นที่ปรารภจะจะให อันนเจตนาที่คิดจะให้อันนี้เป็นอารมณ์ของทานถ้าปรารพเพื่อที่จะสังวนีนวิรัตงดเว้นอันนี้เป็นอารมณ์ของศีลอารมณ์ของส ม, มถะก็มีตั้งหลายชนิดถ้ากสินนิมิตเป็นอารมณ์ของฌานประเภทกสินไปนะส ม, มถะประเภทกสินถ้าพุทธคุณเป็นต้นเป็นนิมิตของอนุสติ ซึ่งพวกนี้มิตพวกนี้เราต้องแยกได้ถ้าเราแยกไม่ได้ปั๊บเนี่ยจะอาจจะคิดเรื่องอื่นสลับถ้าคิดสลับอารมณ์ปั๊บไม่ใช่เมตตาแลวนะถ้าเปลี่ยนอารมณ์ปับ๊บไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เรากาลังพูดถึงเลยนะถ้านอกจากนี้ปับ๊บไม่ใช่เมตตาที่กาลังพูดถึงแล้วแต่เป็นอารมณ์อย่างอื่นไปแล้วนะนั่งเกลมบางคนเนี่ยบอกโอ้จะนั่งเจริญภาวนาเมตตาเท่าน่อย นั่งคิดโอ๊ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่รักที่เจริญใจให้มีความสุขความเจริญไปเถอะนั่งคิดอยู่สองนาทีที่เหลือนั่งอีกชั่วโมงหนึ่งสุภานิมิตบั่งปฏิฆานิมิตบ้างอุเบกขาบ้างอย่างอื่นบั่งไปที่ไหนไม่รู้บอกวันนี้นั่งเจริญพรหมิหารได้ตั้งชั่วโมงหนึ่งที่จริงนะจริงจริงแล้วแค่สองนาทีเองฮั้นต้องแยกอารมณ์ให้เป็นถ้าแยกอารมณ์ไม่เป็นแล้วนะไม่ใช่ก็นึกว่าใช่ พระเพสตาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนึกถึงแต่คำว่าเมตตานึกถึงคำว่าสัตว์แต่ไม่มีสภาวะของของตัวสัตว์เป็นต้นรองรับก็ไม่ใช่เมตตาเช่นอะาตมาเนี่ยนั่งนึกเลยนะสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดที่ไหนก็นไม่รู้นะก็ะพูดไปตามสูตรนั่นแหละถามว่าเป็นเมตตาในที่นี้ไหม ถ้าคนนั้นไม่มีความเข้าใจไม่มีความเป็นปิยะมนาปะสัตว์รองรับนะขณะนั้นไม่ใช่เมตตานี้นะ เ, ออเมตตาไม่ใช่เจริญง่ายนะฟังฟั ง, ฟงดูคล้ายๆง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายครับไม่ง่า ย, ยเมตตาเกิดจริงๆไม่ง่ายนะนะบางทีก็มันจะเข้าไปทางนี้ครับนะโดยเฉพาะตัวโลภะนี่นะออแล้วเมตตานี่ เจอ ง, งามๆเขาเมตตานี้เขาเสียงกันนะอันนี้ไม่ใช่แล้ว อ, อันนี้พอเจอไม่งามเมขาปฏิรูปกะแลนะนะเพราะฉะนั้นไม่งานเพราะฉะนั้นผู้ใดเจริญได้นิดเดียวนิดเดียวจึงมีอานิสงส์สูงเหลือเกินเชิญทานนะแต่ถ้าผู้ใดเคยเจริญได้แล้วแล้วเห็นลักษณะของเมตตานะต่อไปก็เจริญง่ายขึ้นคือแยกพยายามแยกอารมณ์ให้ได้นะแยกเออนี่เป็นอารมณ์ของโลภะนะ สมมุติว่าคิดในแง่นี้เป็นโลภะออคิดในความงามเป็นต้นเป็นโลภะแต่ถ้าคิดมทําไมพูดอย่างนั้นได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นนิมิตของโทสะอะแล้วถ้าคิดอีกอย่างหนึ่งนะเฉยนึกถึงใครก็เฉยอย่างนี้เป็นนิมิตของโมหะทีนี้ในย้อนมาที่นิมิตนะถือว่าเรียนอรรมณนะปัจจัยไปก่อนพักหนึ่งก่ อ, อที่จริงสีสมมุตินะ รูปอารมณ์นี้ก็มีนิมิตอยู่สามอย่างถ้าเป็นอากุศลนะสัทธารมณ์เสียงก็มีนิมิตสามนี้เหมือนกันคันธารมณ์คือกลิ่นก็มีนิมิตสามระสารมณ์ก็มีนิมิตสามโพธารมณ์ก็มีนิมิตสามถามว่าหม่นะถามว่าเมตตานี้เป็นอารมณ์อะไรในะอารมณ์หกเป็นรูปอารมณ์ใช่ไหม ใช่ไหมไม่ใช่เป็นสัทธารมใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมตตาเป็นธรรมรมธรรมรมนั้นองค์ทาได้แก่อะไรบ้างนะธรรมรมนั้นองค์ทาได้แก่หนึ่งจิตคิดถึงจิตเมื่อไหร่จิตอันนั้นก็เป็นธรรมรมนึกถึงเจตสิกก็เป็นธรรมารม นึกถึงรูปที่เหลือเว้นอารมห่านะเว้นวิสยรูปเจ็ะที่เหลือเป็นธรรมรมนะสุขุมรูปพวกนี้ก็เป็นธรรมรมอาโปธาก็เป็นธรรมรมนึกถึงภาษาธ ร, รุปก็เป็นธรรมรมบัญญัตทั้งหมดเป็นธรรมรมถามว่าสั์นี้เป็นบัญญัติไหม สัตว์ก็เป็นประเภทบัญญัติเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วเมตตาอันนี้ก็คือคิดถึงบัญญัตินะพระองค์สอนให้เจริญบัญญัติเอาสิตรงนี้นะแต่ในความบัญญัติอันนี้เนี่ยมีคำว่าปรมาตนุนิแปลว่าเป็นประธานของของบัญญัติแสดงว่าอันนี้มีปรมาตุรองรับในความเป็นสัตว์อันนั้นเช่นยกตัวอย่างเช่นพูดถึงนายกนายกเนี่ยนะ เข้าเป็นที่น่ารักน่าเจริญใจเนอะนึกถึงลักษณะนี้เป็นญญเป็นบัญญัติแต่เป็นสัตว์ที่เป็นที่รักที่เจริญใจเป็นอารมณ์ของเมตตาแต่ในตัวนายกอนั้นมีจิตเจตสิกรูปรองรับอยู่อนะก็คือมีปรมัตา ธ, ธรรมรองรับอยู่นั้นเราต้องสามารถที่จะแยกจิตแยกเจตสิกแยกรูปและก็บัญญัติบัญญัตินี้ มีตั้งหลายอย่างนะเมื่อบัญญัติมีหลายอย่างมากเลยเช่นเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเป็นต้นส่วนหนึ่งก็เป็นประเภทบัญญัติแต่บัญญัติเหล่านั้นไม่ใช่อารมณ์ของเมตตาไม่ใช่นิมิตแห่งเมตตาอันนิมิตของเมตตาอันนี้อย่างเดียวเอาอันนี้ไปแปะกับตัวคนคนใดได้นั่นแหละเจริญเมตตากับคนนั้นแหละถ้าไม่เอาอันนี้ไปแปะแปะไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่เมตตา ก็อาจจะเข้าใจคนละเรื่องก็ได้แต่เมตพูดถึงว่าเมตตากับกรุณานโดยมากมักจะเกิดกรุณามาก <c oughs> นะเมื่อเห็นสัตว์ที่กําลังอยู่ในภาวะที่อยู่ในความทุกข์นั้นเนี่ยไม่ว่าเล็กน้อยนะเพียงเล็กน้อยเนี่ยแล้วเราเกิดเป็นมิตรเป็นไมตรีด้วยเนี่ยรู้สึกจะมีมากกว่า เ, เอาเมตาก่อนจะไปกรุณาตัวนี้มันใกล้ๆ ก, กันนะเธอถ้าหากว่ามองเขาเนี่ยน่าเห็นใจนะน่าสงสารนะอันนี้เป็นกรุณาแต่ถ้าการุณาเนี่ยนะมีเรื่องที่จะพูดอีกเยอะแยะไปหมดแต่ว่าช่วงนี้ขอเรื่องเรียนเรื่องเมตาก่อนที่จริงกรุณาเนี่ยนะเอาอากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแปะลงไปในคนนั้นคนนั้นก็น่าสงสารนี่แหละใช่ไหมเสร็จแล้วก็เห็นใจเข้าไป เอาโรคภยยัยอย่างใดอย่างหนึ่งไปแปะลงในเขาปั๊บเขาก็ น, น่าสงสารแล้วก็เจริญเป็นอารมณ์ของการุณาไปแต่เมตตาเนี่ยโหในความเป็นที่รัก